ที่ยากเราคิดมากคิดมากยากนานศาสนาพูดสอนอะไรคำหนึ่งสมเด็จยานท่านเคยเขียนนะพระสีนัรินท่านอาราธนาให้เขียนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านเขียนเอาไว้ดีแล้วสอนอะไรสอนอริ ย, ยสัจสิสอนไปเพื่ออะไรเพื่อความพ้นทุกข์สิน้นเฉิงสอนอะไรท่านสอนถ้าตัวเนื้อหาธรรมะนะท่านสอนอริยสัจ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 เป็นผลล้เป็นผลจากการเจริญสติไม่ใช่ให้ทําตัวมันไม่ใช่ให้ทําความรู้นี้ขึ้นมานะเจริญสติไปแล้วผลที่เกิดขึ้นคือมีความรู้ความเข้าใจว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเนี่ยความรู้ความเข้าใจของพระโสดาบันเป็นพระโสดา บ, บันรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับส่วนพระอราหันเนี่ยท่านจะแจ้งสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดั บ, ดดดบคื อ, อนิพพาน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 ฝ่ายเทราวาสพูดถึงจิตพระอราหารนันต์พูดถึงมหากริยาจิตแค่มหากริยาจิตเกิดระดับนะนี้ทางฝ่ายเซนทางฝ่ายอะไรนี้เขาพูดถึงจิตเดิมแท้คือจิตที่พ้นความปรุงแต่งถ้าอนุโลมเมาก็คือมหากริยาจิตแต่ว่ามันมีสภาวะธรรมชนิดหนึ่งนะซึ่งเป็นธาตุธาตุรู้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 ที่จะละชั่วทําดีทําจิตฟ่องแผ้วนะก็จะเจริญสติไปถ้าจเจริญสติไม่ได้ละชั่วไม่ได้จริงหรอกได้แต่ข่มความชั่วเป็นคราวๆทาดีไม่ได้จริงหรอกดีแป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็ชั่วแทรกเข้ามาแล้เช่นเห็นคนอื่นเข้าใต้ดิบได้ดีก็โมทนาโมทนามันดีหลายทีชักอิจฉาล้นะท น, นไม่ได้หรอกหรือเห็นคนนี้ตกทุกข์ได้ยากสงสารเขาไปแนะนําแนะนำเขาเขาไม่ฟังก็โมโหล้ว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 บางคนจิตมันชอบพุโทโธแล้วก็อยู่กับพุทโธจิตมันชอบหายใจก็อยู่กับลมหายใจจิตมันชอบท้องพองยุบก็อยู่กับท้องพองยุบไปอยู่กับอารมณ์ที่จิตชอบมจิตก็ไม่ร่อนเร่ไปจิตเสพอารมณ์ที่มันชอบนั้ไม่หนีไปเทีย่ยวได้สมถะ น, นะอย่างนี้ก็มีสติอยู่กับอารมณ์นั้นถ้าทำํำวิปัสสนากนะ็มีสติรู้กายรู้ใจไปรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นต้องดูอยู่ห่างๆนิดนึง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 นี่เวลาเดินวิปัสสนานี่ยไม่ใช่จะเอาอันหนึ่งจะเกลียดอันหนึ่งเรามีสติรู้สภาวะทั้งหลายที่มันเป็นคู่คู่เช่นเผลอรู้ในคู่หนึ่งเห็นไหมโกรธกับไม่โกรธคู่หนึ่งโลภกับไม่โลภคู่หนึ่งเนี่ยเห็นเป็นคู่คู่ไมันจะพลิกไปพลิกมาในคู่ของมันเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ฝึกเอาอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งไม่ใช่จะเอารู้สึกตัวเกลียดหลงจะเอาความไม่โกรธเกลียดความโกรธจะเอาความไม่โลภเกลียดความโลภ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 เล็กเท่าดาวเองบางคนภาวนามานานนะเท่ากับล้อล้อเวียนล้อรถบทถนนรัศมีไม่เท่ากันแต่มีความมีเขียนอยู่ตรงที่มันเข้าถึงธาตุรู้จริงๆธาตุรู้เนี่ยซึมสั้นไปในทุกสิ่งทุกอย่างธาตุรู้นะคล้ายๆอากาศสธาติแต่อากาศสธาติไม่ใช่ธาตุรู้อากาศสธาติเป็นช่องว่างอากาศสธาติเนี่ยซึมสั้นเข้าไปในในพัดนี้ก็มีอากาศสธาติ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 รูนิพพานมนะนิพพานเนี่ยครอบโลกครอบจักรวาลสึมสั้นไปในทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเปรียบเลยแต่เป็นอีกสภาวะหนึ่งนะพูดแล้วฟังยากพวกคิดมากอยากเรียนเยอะๆ <c oughs> ไปภ า, าวนาเอาเองนะเราจะเห็นงั้นสรุปก็คือพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนเพื่อให้เราเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่ได้สอน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 วาดภาพมันเหมือนมีอะไรลึกลับซ้อนขึ้นมาอีกอย่างหนึง่งไอเรียนขันที่เรียนอยู่เท่านี้ก็จะปางตายแลย้วยังสร้างจิตเดิมแท้ขึ้นมาอีกดวงหนึ่งนะยุ่งตายเลยไม่มีนะสิ่งที่เป็นอมะตะมีแต่พระนิพพานเท่านั้นที่เป็นอมะตะอย่าไปวาดภาพว่ามีอะไรที่เป็นอมะตะอยู่สุดท้ายมันก็จะเห็นสิ่งที่มันไม่เกิดไม่ดับคือเห็นพระนิพพานเป็นผลหนอกเบื้องต้นเห็นสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับได้เป็นพระโสดาบัน เบื้องปลายรู้แจ้งสิ่งที่ไม่เกิดแล้วก็ไม่ดับคือพันิพาณนะหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือเจริญสติไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจไปนะสังเกตตัวเองไปเรื่อยอกุศลอะไรยังไม่ลนะนนั้ก็ละซะบ้างขัดเกลาตัวเองไม่ใช่ตามใจอกุศล น, นะกุศลดยังไม่เจริญก็เจริญซะบ้างไม่ใช่ปล่อยไปเรื่อยๆนะหวังว่ามันจะเจริญขึ้นมาตามยถากรรมนะ อย่างเราต้องหัดให้อภัยคนต้องฝึกเหมือนกันนะไม่ใช่ฉันจเจริญสติอย่างเดียวอะไรเนี้ยจะเอาแต่ปัญญาบที่กิเลสเล็กกิเลสน้อยไม่ยอมละนะจะเอาแต่ปัญญาในะที่สุดกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิศีนฉันจะไม่ถือหรอกฉันทีมีแต่สติมีแต่ปัญญาต้กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิง่ายๆนะหลวงพ่อเคยรู้จักคนหนึ่งไม่ถือศีล น, นะสอนลูกไม่ให้ถือศีนด้วยบอกไม่จําเป็นเราดํารงชีวิตอย่างมีเหตุผลก็พอแล้วนี่สอนลูกอย่างนี้ ดำเนชีวิตอย่างมีเหตุผลตามใจกิเลสเนี่ยวงเล็บไว้ด้วยอ่ะไม่มีศีลน่ะเพราะฉะนั้นอกุศลเล็กๆน้อยๆนะเราก็ต้องรู้ทันอย่าไปเชื่อมันอย่าไปตามใจมันกุศลนะแม้แต่เล็กแต่น้อยนะเราก็ต้องคอยดูแลรักษามันคอยดูมันไปมีสติพัฒนามันขึ้นไปเรื่อยๆจิตใจเข้าไปคลุกคลีพัวพันอยู่กับอารมณ์ต่างๆคอยรู้ทันที่มันถอดถอนออกมามันเข้าถึงความผ่องแพ้วของมัน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 รู้ว่าอยากเริ่มเก่งแล้ว อ, อยากกินรู้ว่าอยากนะแต่คราวนี้ปัญญามันล้ําหน้าแนะล้วหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปฝืนมันนะเป็นอัตตะกิริมตะนุโยกกินเข้าไปเลยนะดู ด, ดูเอาธรรมะไปอ้านนะกินจนกินไม่ไหวแล้วนะก็ยังจะต้องกินเพื่อจะไม่ให้เป็นอัตตะกิริมตานุโยกนะไม่ใช่แนละ้วอย่างนั้นอ้างธรรมะเพียนเพียนลนะเรากินเมื่อมีเหตุผลสมควรกินต่านงะไม่ใช่กินเพราะกลัวเป็นอัตตะ กิลมัฏฐานุโยคเงี้นเรียนธรรมะนะ่าหอยฝึกเอามีสติรู้กายรู้ใจไปแล้ววันหนึ่งก็พ้นจากความทุกข์พอพ้นทุกข์น่ามีความสุขเยอะมีความสุขได้ ร, รู้เลยว่าที่ท่านบอกนิพพานังปรามังสุขขังเป็นยังไงนิพพานังปรามังสุญญังเป็นยังไงนิพพานเป็นสุญญาตาเป็นมหาสุญญาตา ทางศาสนาพุทนไม่ใช้คําว่ามหาสุญญาตาใช้บรมสุญญาตาเรื่อปรมังสุญญาาังเพราะฉะนั้นเราภาวนานะวันหนึ่งเราจะเห็นบรมสุญญาตานี่สร้างศัพท์ใหม่ให้ปวดหัวหนักกว่าเก่าอีกแค่มหาสุญญ า, าก็เวียนหัวจะแย่แล้วนั่นแค่มหาระดับมหาเท่านั้นบรมนี่ใหญ่กว่า <c oughs> มีความสุขแต่ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนะ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 เพราะนั้นเรียนเรื่องจิตนะเข้าไปถึงจิตที่บริสุทธิ์บุดร่องแล้วอย่า ก, กลัวว่าจะไม่รู้ธรรมะเลยเพราะฉะนั้นธรรมะออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์นั่นเองแปดหมพระธรรมขันธ์เนี่ยจากจิตพระพุทธเจ้านะจิตพระสาวกสองธรรมขันธ์สมธรรมขันธ์ก็บุญแล้วล่ะนะไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าหรอกนะภาษารีบุตรท่านก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจของเราเนี่ยจะไม่เท่า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 แล้วเราหัดเจริญสติรู้กายรู้ใจไปเนี่ยความรู้ความเข้าใจมันจะพอดีพอดีกับตัวเราเองเป็นความรู้ความเข้าใจที่ใช้เพื่อความพ้นทุกข์ได้บางคนสะสมมาก็แตกฉานมากบางคนไม่ได้สะสมมาทางสติทางปัญญาแนละก็ไม่แตกฉานรู้แล้วก็เอาตัวรอดไปคนเดียวพูดไม่เป็นอย่างบางบางท่านเราเห็นไหมครูบาอาจารย์บางองค์เราไปหาท่านนะั้นท่านก็ไม่พูดหลายมากนะท่านก็บอกมีสติไปสิบางองค์ท่านก็บอ ก, บงอง ก, บอกดูจิตไปสิอะไรอย่างนี้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 อย่างบอกบางท่านเลยภาวนางไงจิตเกาไม่รวมหรอกนะให้ไปดูผมเส้นเดียวต้องเส้นเดียวนะสองเส้นก็ไม่รวมนะต้องเส้นเดียวสอนหลงพ่อคืนอย่างนี้จิต ท, ท่านไม่สงบแล้วสอนให้ดูผมเส้นเดียวได้สมถะนะไม่ใช่วิปัสสนาหลวงพ่คืนน้อยใจโอ้ทำไมหลวงปู่สอนคนอื่นให้ดูกายทั้งกายเขาดูทั้งตัวเลยนะของเราให้ดูผมเส้นเดียวหลวงปู่ไม่ดีเลยอย่างนี้ไม่เอาน้อยไป ได้ยินหลวงปู่สอนคนอื่นดูทั้งตัวนะดูบ้างดูไปเรื่อยๆนะดูดูดูผมทั้งศีรษะเลยนะมันหายไปเฉยๆดูเห็นหนังหนังสีสะดูไปทะลุนะเห็นหัวกระโหลกหัวดูไปอีกหัวขาดเหลือแต่ตัวนะเนี่เหลือแต่ตัวแล้วดูไปเรื่อยๆนี่เสียเวลาเผาเลยกําหนดจิตเผาเผเผมันไม่ไหม้นะมันแค่กลิ่มๆเผาอยู่นั่นแหละตลอดนะพรรษาเนีเผาอยู่นั่นแนหะมันไม่ไหม้ นี่เรื่องของสมถะนะอย่างคิดว่าวิปัสสนาะนะนเป็นอุบายในการปฏิบัติแบบหนึ่งเท่านะั้นไม่ใช่ทุกคนต้องทำเป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบต้องบอกไว้ก่อนนี่จนออกพรรษานะวันหนึ่งท้อทแท้ใจไม่รู้จะทําอะไรแล้วไปดูผมเส้นเดียวนะจิตรวมเลยวันนั้นจิตรวมเลยพอจิตรวมแล้วนี่มันย้อนมารู้กายรู้จิตมันจเจริญวิปัสสนาแล้วก็ผ่านไปก็เข้าใจธรรมะได้รวดเร็ว